ตลาดติดธุระกันก็ทยอยมาน้อยไปนิดแต่ว่ามีญาติธรรมจากนิวซีแลนด์เป็นชาวอังทองได้พบพระอาจารย์ทางย t u b e แล้วก็คุณป้าคุณป้าเหลือเปรมปัญญาค่ะคุณป้าท่านอายุ82แล้วแต่ฟัง ซดีพระอาจารย์มาในรถวันนี้เองคุณป nah ้าปฏิบัติธรรมานานแต่พอฟังพระอาจารย์เสร็จบอกใช่เลยง่ายถูกต้องก็เลยกลับเรียนพระอาจารย์เป็นพื้นไว้ก่อนนะคะว่าว่าเนี่ยวันนี้เรามีแขกที่ที่ที่น่าดีใจที่ที่ได้เหมือนมีอินทรียบรมีแล้วก็ได้ได้ค้นพบพุทธวจนะเองค่ะ ทีนีเ้เดิมทีโยมตั้งใจจะกราบขอกาดพระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์แสดงธรรมค่ะ<ม>ว่าในฐานะที่มารับหน้าที่เป็นผู้กล่าวกราบอลาธนาพระอาจารย์มาสองปีเต็มๆแล้วก็ <c oughs> อยากจะให้ญาติมิตรร้านตลาดได้ได้ได้รับออของขวัญปีใหม่ไปเป็นพ ร, รที่โยมไป ต้องจำมาค่ะเพราะว่าเพราะว่าบทพยัญชนะในในพระสูตรนี้เนี่ยมันตรงกับชาวร้านตลาดแล้วก็เดี๋ยวพอยมขอโอกาสพระอาจารย์สาธยายเสร็จขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายตัวคีย์เวิร์ดในในพระสูตรนี้เจ้าค่ะเป็นพระสูตรที่นำมาจากอริยสัจจากพระโอษฐ หน้า 1,318 ค่ะชื่อว่าการการกำหนดสมาธินิมิตในวงการสมาธิ <laughs> ก็ภิกษุทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ตั้งอยู่ในองค์สามประการเป็นผู้ควรได้ได้รับผลกำไรที่ยังไม่ได้รับหรือ เป็นผู้ควรทำผลกำไรที่ได้รับแล้วให้งอกงามออกไปสามประการอย่างไรเล่าสามประการคือชาวร้านตลาดย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันและย่อมจัดย่อมทำกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็น ชาวร้านตลาดที่ตั้งอยู่ในองค์สามประการเหล่านี้แหละเป็นผู้ควรเพื่อได้ผลกำไรที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้แล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไปข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนั้นก็ฉันนฉันนั้นเหมือนกันถ้าภิกษุตั้งอยู่ในธรรมสามประการภิกษุนั้น เป็นผู้ควรได้บรรลุในกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำเพื่อทาสิ่งที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไปสประการทำสามประการอย่างไรเล่าสามประการคือภิกษุนั้นย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเช้า ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลากลางวันย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเย็นภิกษุที่ตั้งอยู่ในธรรมสัมปทานเหล่านี้แหละเป็นผู้ควรจะบรรลุในสิ่งที่ยังในเป็นผู้ควรจะบรรลุในกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเป็นผู้ควร ทำสิ่งที่บรร ล, ลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไปก็ฉันนั้นเหมือนกันกลับขอบคุณค่ะพระอาจารย์เจ้เาค่ะขอคว า, ว า, วาวมเมตตาอธิบายคำว่ากำหนดสมาธิโดยเอือ้อเฟือ้อค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ <c oughs> เป็นหลักในการทำสมาธิที่ ก็องค์ได้จัดไฟก็คือพยายามทำวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟือ้ออคำว่าเอื้อเฟื้อเนี่ยมันมันหาความหมายยากเหมือนกันเหมือนกับ พระพุทธเจ้าบอกว่ามีวินัยอยู่ข้อนหนึ่งคือให้เอื้อเฟื้อทําวินยัยให้เอื้อเฟื้อในทําวินัยก็มันจะมีหลายความหมายอย่างเช่นว่าเอ๊ะถ้ากล้ามกลืว่าอันนี้ถูกหรือผิดอ่ะก็ให้เหมือนตีไปในทางทางที่รักษาวินัยไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นหรือการําหนดสมาธินิมิตโดยอื้อเฟื้ออย่างที่พระุทธเจ้าตรัสตรงนี้ <c oughs> น่าจะเป็นลักษณะที่ผู้เจ้าแนะนำว่าเหมือนกับทำสมาธิแล้วเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมืออย่าบีบแรงไปนะเดี๋ยวนกตายอย่าจับหลวมไปเดี๋ยวนกหลุดมือก็คือทำสมาธิโดยที่ว่าออพอดีพอดีโดยเอื้อเรือต่อสมาธิหรือการทำสมาธิที่ผู้เจ้าบอกว่า ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มประคองในสมัยที่ควรประคองเพ่งอย่างยิ่งในสมัยที่ควรเพง่งหรือทําให้ล่าเลยในสมัยที่ควรทําให้ล่าเลยอย่างนี้อืคือรู้จักความพอดีในการทําสมาธิขอการค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราฟังทำหนึ่งเดือง <c oughs> แล้วเราก็น้อมมาปฏิบัติโดยการ อ, อนาปานสติที่พระเจ้าสรรเสริญว่าเป็นเป็นมัคควิธีที่ควรอยู่ ก็คือเราก็ต้องมีมีปัญญาในการอยู่กับสมาธิก็คือต้องเอื้อเฟือ้อในการทำของเราให้ให้เจริญยิ่งขึ้นเหมือนกับชาวร้านตลาดที่รู้จักจัดของจัดค้าขายใช่หรือจะบอกว่าให้ฉลาดในการเข้าในการออกฉลาดในการดำรงอยู่อย่างนี้ก็ได้ก็ ถ, ถือว่าเรือเบื้มือนกันอันนี้ก็เป็นมุม เนยขมจิตในสมัยที่ควรขมประคองจิตในสมัยที่ควรประคองทําให้ร่าเริงในสมัยที่ควรทําให้ร่าเริงเพ่งอย่างยิ่งในสมัยที่ควรเพ่งเป็นผู้น้อมจิตไปในธรรมมาทิปราณีนะเป็นผู้ยินดียิ่งในนิพพานอิสุปประกอบด้วยธรรมหประการนี้แล้วเป็นผู้ควรเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งความเย็นอันไม่มีอื่นยิ่งกว่า มีลักษณะของเอื้อเฟื้ออีกอันหนึ่งโอกาดค่ะก็คือโยประทับใจเป็นการส่วนตัวว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกกษัตริย์นะคะเป็นเจ้าชายศทธฐะแต่เวลาพระเจ้าจะบัญญัติอะไรก็จะเอื้อเฟื้อมาจนถึงชาวล้านตลาดซึ่งถ้าพูดถึงในพุทธการก็คือเหมือนเป็นวันนะที่ไม่มีความสำคัญใช่ค่ะก็รู้สึกว่าชาวล้านตลาดเราได้กาไร คือพระอาจารย์เมตตาเดินทางมาให้ธรรมะตลอดพุทธวจนะตลอดกําำลังจะครบสองปีในเดือนมกราปีห้าหกนะคะก็เราได้ทุกแง่ทุกมุมของเนื้อธรรมะจากที่รวบรวมไว้เป็นแผ่นเมื่อเดือนตุลาค่ะก็แล้วก็อานิสงจากการที่พระอาจารย์มามาถึงอ่างทอง ก็เผ <can the peso again> ื่อแผ่มาถึงชาวอังทองที่เดินทางไปทำงานที่นิวซีแลนด์เดี๋ยวจะขอโอกาสให้น้องจุ๋มช่วยเล่าหน่อยค่ะได้ได้เป็นยังไงบ้างนะก็ได้ติดตามอาจารย์จากอินเทอร์เน็ตนะคะก็เป็นประมาณหกเดือนค่ะแล้วก็ก็ได้ามตลอดแล้วก็ก็เข้าใจแล้วก็พยายามทำตาม อย่างพุทธเจ้าสรรเสริญเรื่องอนาปาะนสติอเขาจะให้เวลากับตรงนั้นคือ uh huh. คือเป็นคน uh huh. ที่ อ, อทํางานมากตอนอยู่เมืองไทยนะคะทํางานมากทำท ำ, ทำเป็นพยาบาลอยู่ห้องผ่าตัดทํางานมากแต่พอไปที่นู่นแล้วทํางานเขาจะมีเวลาจํากัดประมาณอาทิตย์ละสี่สิบชั่วโมงเพราะฉะนั้นคือจะทํางานน้อยลงแล้วเวลาส่วนที่เหลือนี่ก็จะให้โอกาสกับตัวเองในการนั่งอนาประนัสติ uh huh. ก็ ก็แบ่งเวลาให้ตรงนี้นะคะแล้วก็คือเข้าใจเข้าใจมากเลยกับกับทุกทุกถ้อยคำที่ที่อ่านจากพระสูตรค่ะแล้วก็เก็บแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเป็นบุญแล้วก็เหมือนคนอื่นๆที่เคยพูดนะคะว่าปื้มพิธีก็อนุโมทนาบุญกับอาจารย์ ความภ <laughs> <laughs> ูมิใจของชาวอ่างทองก็คุณป้าขาคุณคุณป้าเหลือบเดี๋ยวขอให้คุณป้าช่วยเล่าหน่อยนะคะว่าคุณป้าฟังแล้วรู้สึกยังไงอะค่ะคร์เข้าใจค่ะความมาเยอะแล้วนะอาจารย์หลาอาจารย์แต่ว่าของท่านเนี่ยขาวสะอาดแล้วก็ง่ายถ้าใจง่ายฟังแล้วให้แสงสว่างเอฟังแล้วแต่ พราเล็กชวนอให้ไปที่หวยอยากรู้ปิดบ้านหดเลยเนี่ยอยู่คนเดียวเปิดไฟไว้บอกสว่างก็เอาอฟังแล้วเข้าใจง่ายอืมนะี่แสดงว่ามีอินซีแก้วเป็นแล้วเลี้ยงผ้าเส้นจากเขาก็เปิดอีกอ่ะเพดก็ส่งบ้าน ดูเยครับใจชอบอฮฟังแล้วเข้าใจง่ายอออ่ืแต่ว่าท่านอาจจะย์เสนอง่านปูทางไว้แล้วปูทางไว้แล้วแต่ว่าก็ยังไม่ขาสะอาดเหมือนของท่านของท่านเนี่ยครับจังเลยอไม่มากไม่ยากเลอก็ยืนยันว่าคำพุทธเจ้าไม่ได้ยากเกินไปมันก็ไม่ยากเลย ที่บางๆแล้วโอโหอะไรต่างันรเยอะไม่อยากอ่ะจำไม่ได้ไหลยากจังอ่ะแล้วอันนี้ยอเอาต้นเนื้อกัสัตว์อเนี่ยอันนี้อเลยนนี้เราได้แบรนด์แอมเบสเดอร์รุ่นใหญ่ค่ะพระเจ้าใช่ ออฮะอืมอ uh ืมเออฮะอืมอ uh ืม huh. อ่าฮะอ่าฮะต่อ huh. อ uh ืม huh. ด uh ีอ huh. uh ืม huh. so ค่ะแต่คุณป้ามีคุณป้าเหลือมีตนเป็นที่พึ่งมีทรรมเป็นที่พึ่งเลยนะคะกุณป้ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งค่ะ ฟังธรรมะเข้าใจและมาใช้ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ต่อไปเป็นพี่เจือค่ะวันนี้เราสัญญากันไว้แล้วว่าพี่เจือจะต่อด้วยพระสูตรที่เป็นพระสูตรโปรดใช่ไหมคะพี่เจือติดตามฟังพระอาจารย์ทุกนัดค่ะทั้งๆที่บ้านอยู่ไกลจากตลาดเชิญค่ะพี่เจือธรรมชาติค่ะธรรมมิงสติอีทางของสติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้อมมี นาสปทาอีทางอุปัตติเพราะความเกิดขึ้นทางสิ่งนี้มันเกิดขึ้นอีนัสหมิณอัตติอีทางนั้หโอติเพราะความทเกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นอีนัสสารนิโรธานีรุชติเพราะความจะไปแห่งนี้ึังยับรักไปขอบคุณค่ะไม่ไม่ทราบมีใครแอบพระสูตรไว้ในใจไหมฮะอยากจะน้องต๋อง ผมท่องอิทธปปยตาท่านท่องไปแล้วครับหุ่นคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ครับนี่ก็เป็นพุทธจนะเหมือนกันก็เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนาะ เวลาเรากําลังเพลินเราก็ต้องคิดอันนี้เหมือนกันค่ะว่าเราจะเป็นแบบคุณป้าเหลือบหรือเปล่าเนาะฟังธรรมะได้ถึงขั้นนี้ก็ถึงเข้ากันเลยกล่าววารัธนาพระอาจารย์แสดงธรรมต่อค่นะขอบพระคุณดีดีดทรงจําคํำพิจากันได้เยอะๆนะน่าจะเป็นประโยชน์ <c oughs> เป็นประโยชน์ต่อตัวเองนี่แหลนะอ สำคัญเลยมันคือล่วงไปล่วงไปนะแป๊บเดียวแปดสิบกว่าปีแล้วนะยังนะเร็ว ม, มาก <c oughs> ก็ยังไม่ได้เลื่องโสดาบันกันวันนี้ก็เลยเอาโสดาบันมามาแจกดูนะคำโสดาบันห้าสิบกว่าเนืนอะอันนี้ใครผู้ใหม่ก็อย่าลืมไปอ่านกันนะจะ่ได้ตรวจสอบความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเองนะ ปฏิบัติมาแล้วสิบยี่สิบสามสิบปีเนี่ยมีคุณธรรมตามนี้ไหมมั่นคงในพลันรัตนตรายหรื อ, อยังมั่นคงเนี่ยมั่นคงแบบไหนอย่างลงมั่นไหมหรือว่ายังหวั่นไหวสมณเทพมานพรมใดๆดึงศรัทธาเราออกไปจากพระพุทธเจ้าได้ไหมศีลห้าเราบริบูรณ์ไหม ให้ตัวตนเองนะตามตามตามวินัยที่พรุทธเจ้าตรัสเอาไว้ฐ <c oughs> านะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันเนี่ยเป็นยังไงนั้นถ้าเราไปดูฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสดาบันเนี่ยไม่เห็นสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงโดยความเป็นของสุข เราก็พยายามตรวจดูนะทิ่ทีความเห็นของเราเนี่ยตรงหรื อ, อยังเราสิกว่าสังขารในโลกขั้งปวงเนี่ยเป็นของเที่ยงไหมถ้าเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงมีความแปลเปลี่ยนก็แสดงว่า <c oughs> เราเห็นจริงตามนั้ น, นไม่อาจเข้าถึงสังขารได ไ, ด, ไ ด, ด้วยความเป็นของสุขทุกอย่างเดินไปสู่ความทุกข์คือแตกสลายความทุกข์ก็เป็นทุกข์ความสุขก็เป็นทุกข์อุเบกขาก็เป็นทุกข์คือแตกสลายทั้งหมดความคิดความจำรูปร่างกายเราก็เป็นทุกข์ ไม่อาจเข้าถึงธรรมะใดๆโดยความเป็นตัวตนไม่มีธรรมชาติใดที่มีอยู่ตั้งอยู่อย่างถาวรกันห้าลุนมีการแปลเปลี่ยนทั้งสิ้นไม่อาจทำอนันตริกรรมหรือหวังการเข้าถึงความบริสุทธิ์โดยโกตูละมงคล ไม่อา จ, จแสวงหาถ้าคือเนยยะบุคคลภายนอกจากศาสนานี้ไม่มีละที่จะหาบุคคลผู้สมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญภายนอกจากศาสนานี้ และการที่ยอมจะหวังความบริสุทธิ์โดยมงคลภายนอกของสมณพรามณ์เหล่าอื่นไม่เชื่อว่าข้อปฏิบัติกายวาจาตามแบบสมณพรามณ์เหล่าอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ ในในัยยะต่อไปก็คือไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความยำเกรงในพระธรรมแล้วก็ประสง์แล้วก็ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความยำเกรงในศีกขาไม่อาจเข้ามาสู่อนาคต ธรรมะมวัตถุคือวัตถุที่ไม่คนเข้าหาไม่อาจยังพบที่แปดให้เกิดขึ้นเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติพบที่แปดไม่สามารถเกิดขึ้นได้นี่ฐานะของโสดาบัน ตรงนี้ก็เรื่องของการนิมเพลงในศิกขาพัะศาสดาประทำพระสงฆนะ์ในย่อต่อไปเนี่ยจะเป็นการลงรายละเอียดของ อ, อนันตวิกรรมว่าไม่อาจที่จะลงชีวิตมันดาบิดา พระละหันคิดประทุษล้าย ต, ตถาคตแม้เพียงทำโลหิตให้ห่อหรือทำสมให้แตกกันหรือจะเป็นถือศิสสดาอื่นนะก็ตามไม่ได้ละนดีเจ้าพูดขึ้นไปถือ ศาสาอื่นก็มีนะไปถึงเจ้าลัทธิอื่นนะอันนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกว่าเขายังหวั่นไหวในศาสดาเขาเองก็ยังเป็นโสดาบันไม่ได้ทู้เจ้าจึงบอกจะไม่มีสมณะไม่มีนักบวชเจ้าลัทธิใดหรือว่าเทพองค์ใดพรหมนะหรือมาน ที่จะดึงศรัทธาของพระโสดาบันออกไปจากพระาศาสดาได้นี่คือโสดาบันอีกอันหนึ่งก็คือจะเข้าใจว่าสุขทุกข์หรือกรรมเนี่ยไม่ได้เกิดจาก <c oughs> ตนเองบันดาลสุขทุกข์ตนเองทำเองก็ไม่มี ผู้อื่นทำให้ก็ไม่มีตนเองทำก็มีผู้อื่นทำก็มีก็ไม่คิดอย่างนั้นหรือตอนเองก็ไม่ได้ทำนะเกิดขึ้นเองตามลำพังก็ไม่ใช่หรือไม่มีคนอื่นทำให้แต่ก็เกิดตามลำพันธ์ขึ้นมาเองหรือทั้งสองอย่าง คนเ่งไม่ต้องทำคนอื่นไม่ต้องทาแล้วเกิดขึ้นมาเองลอยลอยโดยปราศจากสาเหตุเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเวลาเรามีความสุขหรือความทุกข์ก็ตามเนี่ยมาจากเหตุดังนั้นเกิดมาแต่เหตุไม่ได้เกิดมาลอยลอยอยู่ๆจะมีความทุกข์แล้วบอกเนี่ยอยู่ๆมันก็ทุกข์ขึ้นมาเฉยๆเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหตุให้ทุกข์เกิด บางทีเรามองไม่ทัน <c oughs> นี่คือลักษณะของฐานะที่เป็นไปไม่ได้ของโสตบัญดังนั้นโสตบันจึงรู้ธรรมนะที่เกิดแต่เหตุรู้เหตุเกิดของธรรมนะรู้ว่าธรรมนั้นเนี่ยเกิดมาจากเหตุอะไรนะก็จะทราบตรงนี้ นี่ลักษณะของโสดาพันบุคคล โสดบันต้องรู้จักปฏิจจสมุปบาทอาการในจิตของตนเองว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของอะไรภัสสะแล้วกระทบแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรธรรมชาติอะไรขึ้นตามมาจากธรรมชาตินั้นจะเกิดธรรมชาติอะไรขึ้นตามมาอีกเต็มๆนั่นตรงนี้เรื่องของยานวัตถุสี่สี่กับเจ็สิบเจ็ดโสดบันต้องเข้าใจ เกิดเกิดความดับแห่งธรรมทั้งหลายจะมีธรรมยานและอนวตยยานธรรมยานก็คือยานในความสิ้นไปหรือ เห็นอริสสนะีเห็นเหตุเกิดเห็นความดับนะ น, นี้เรียกว่าเป็นธรรมยานในการนําความรู้อันเนี้ยนะไปใช้ไปสู่ไนยะอันเป็นอดีตและอนาคตอันนี้เรียกว่าอันวิยญานเห็นจิตเกิดดับในปัจจุบันเห็นอารมณ์ต่างๆเกิดดับแล้วก็น้อมไปสู่อดีต อนาคตว่าอดีตทั้งหลายเนี่ยจิตก็เกิดดับอย่างนี้อารมณ์ต่างๆก็เกิดดับอย่างนี้ในอนาคตก็เหมือนกันจิตก็ยังจะเกิดดับอย่างนี้อารมณ์ต่างๆก็ยังจะเกิดดับอย่างนี้เหมือนเดิม น, นี่เรียกว่าอันวิญญาณเนีย่ยที่พระพเจ้าบอกว่าความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่ออันวิญญาณญาณในการรู้ตาม อริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตคือความรู้ว่าอะไรนะความรู้ว่าชรามรณะเป็นอย่างนี้เหตุเกิดของชรามรณะเป็นอย่างนี้ความดับเป็นอย่างนี้วิธีดับเป็นอย่างนี้นะส่วนความรู้ตรงนี้ที่รู้ในอริยสัจสีเนี่ยเรียกว่าธรรมยานความรู้ในธรรมนะ ดังนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าตัวหลักๆนี่ก็คือการเห็นอริสัตยนั่นเองเพื่อความเป็นโสตบันก็ต้องเห็นอริสัตรตรงนี้ชื่อของพระโสตบันมีเยอะนะผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิสมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าความเห็นสมบูรณ์แล้วด้วยความเห็นนั่นเอง สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะผู้มาถึงพระสัจธรรมนี้มาถึงสัจธรรมคือคําสอนของตถาคตนี่แหละผู้เห็นอยู่ซึ่งสัจธรรมนี้เห็นอยู่ซึ่งคําสอนตถาคตยประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสขะความรู้ของเสกขาเช่นเห็นว่าวิญญาณเนี่ยไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมธาต คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะวนอยู่แค่นี้เวลาจิตเราหลุดจากลมหายใจไปเนี่ยมันก็จะไปรู้เวทนาบ้างสัญญาบ้า ง, ส, ญญาางสังขารบ้างรู้แค่สามธรรมาชาติเนี่ยเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกลําดูมันจะหลุดไปคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างไปรู้สึกสุขทุกข์บ้างอย่างนี้ จะวนอยู่แค่นี้เท่านั้นแล้วก็วนกลับมาที่ลมวนไปวนมาอยู่สี่่านเนี่ยแหละยานที่เรียกว่าสาธาราญาณความรู้ที่เห็นว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงสัรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่เที่ยงนี่ก็เป็นยานของอเซขาบุคคล ผูประกอบพร้อมแล้วด้วยวิชาอันเป็นเสษขะดผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วกระแสนี่คือหนทางที่จะเข้าถึงความพ้นทุกข์เข้าถึงแล้วซึ่งกระแสตรงนี้หนทางนี้ผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องช้ำแรกกิเลสอาวิชาที่ปกปิดเขาอยู่เนี่ยเขาเริ่มช้ำแรกออกมาได้แล้ว อวิชาเริ่มจางกลายไปอวิชาที่ปกปิดห่อหุ้มเข้าหนาแน่นอยู่เนี่ยเขาชำรกมันออกมาล ะ, ะจึงเรียกว่าเป็นผู้ชำระกิเลสหรือยืนอยู่จดประตูแห่งอมตะโสดาบันเนี่ยยืนจดประตูอมตะประตูแห่งความไม่ตาย แต่ก่อนไม่ค่อยมีใครจะฟันธงนะว่านิพพานเนี่ยคือเรื่องของความไม่ตายครับพูดแต่นิพพานนิพพานก็บอกไปเลยคือเรื่องไม่ตายนี่แหละธรรมาตาก็บางทีสาวกไม่ค่อยกล้าพูดเพราะดูมันจะเหมือนกับมันจะเกินเลยไปนิดหนึ่งอะไรไม่ตายเลยเหรอ แต่จริงๆคุณพระก็ตัดไว้ตรงๆคือความไม่ตายอมาตาะเป็นชื่อแทนนิพพานด้วยองคงเครตัดเนี่ยว่าประตูนครแห่งความไม่ตายเนี่ยตถาคตได้เปิดลงไว้แล้วเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงตินอันเกษมกระแ ส, ะสะแห่งมารผู้มีปากคือความตายเนี่ยมารคือความตายตถาคตได้ปิดกั้นเสร็จแล้ว ความที่พระองค์เป็นผู้รู้โลกทั้งปวงเนี่ยเพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายเนี่ยตถาคตเปิดโลงไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงถิ่นอันเกษมองค์ต้องการให้เราเนี่ยเข้าถึงสภาวะที่ไม่ตายไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดศูนย์นะนั่นเราต้อง อ่านคำพระสาสดาให้มากคนศึกษาคำพระสาสดาน้อยอจะปรุงแต่งไปต่างๆกระแสะแห่งมารผู้มีบาปมารคือความตา ย, ยตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูลด้วยตรามโมทปรารถนาทำอันเกษมจากโยค่าเถอ ความปรารถนาใ น, ในธรรมต้องมีก่อนที่พรงเรียกว่าธรรมมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีอันกเกษมจากโยคะเนี่ย น, น, นอันกเกษมจากโยคะโยคะในที่นี้ก็คือเครื่องร้อยลัดปราศจากเครื่องลอยลัดนั่นเอง เสร็จากโยคะปราศจากเครื่องร้อยล้ทธเราจะเจอคำวิโยคะอีกอันหนึ่งคือการกระทําอย่างเป็นระบบะอย่างบอกภิกษุให้กระทําโยคะกรรมก็คือการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกนี้คือความดับทุกนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกอย่างนี้ ก็เกี่ยวกับโสดาบันโยมแต่โสดาบันได้โยมก็เท่ากับได้พระหลานเพราะโสดาบันก็เหมือนจะได้ความเป็นพระหลานอีกไม่เกินเจ็ดชาติได้เป็นพระหลานดังนั้นแค่เราวางความเยื่อใยในสิ่งที่เรานับถืออยู่ทั้งหมดเทพพระเจ้าไร่ต่างๆศาสนาอื่นทั้งนั้น ที่ผู้เจ้าบอกโสดาบันไม่แล้วไม่เอาศาสดาอื่นเป็นนับถือเทพนู้นเทศนี้อะไรี่ยหมดราคานยมแรกไหมล่ะโสดาบันความไม่ตายกับการที่ยังยึดติดเทพเจ้านั่นโน่นนี่อยู่มันไม่คุ้มค่ากับเรื่องของอมตะธรรมเทียบกันไม่ได้ถ้าความยึดมั่นถือมั่นพวกนี้เนี่ยหมดออกจากจิตของเราเนี่ย เขาเรียกว่าจิตเราเนี่ยตกกระแสละเข้าสู่หนทางเส้นทางเรามีจิตปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยเรายึดอะไรอยู่ก็ตามหวังพึ่งอะไรอยู่ก็ตามตรงนั้นจะเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทั้งหมดพวกเคพพวกเกวราทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นอริยะ เขาไม่ได้มีคำสอนอะไรที่ประเสริฐกว่าพระาศาสดาไปได้สมณเทพมารปรมใดๆก็รุนมากราบพระาศาสดาหมดั น, นั้นตรงนี้ให้พวกเรา <c oughs> มีความเข้าใจในความเป็นโสดาบันนะ อย่ามัวไปพะวงกับความเห็นผิดๆที่ทำตามกันมาไหวโนว้นไหวนี่เต็มไปหมดเลยคือวันไหวต่อศาสดาตัวเองบางดีพระที่ท่านบอกสอนฝรั่งง่ายกว่าฝรั่งมันยังไม่ทันไหวอะไรให้ศรัทธาพระเจ้าศรัทธาอย่างดียะ ฝรั่งก็ไม่ไว่ายอะไรก็เจริญงอกกามของมันนะมืมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรให้เราเนี่ยโอ้โหน่ะเส้นไหว้กันสารพัดเลยเตรียมอาหารกาวหวานนบูชาไปหมดเลยปฏิบัติบูชาคือสิ่งที่เลิศที่สุดน่ะ โยมวางความยึดมั่นในสิ่งอื่นความยึดมั่นในพระรัตนกรัยแค่นี้โสดาบันแลกกันมันคุ้มค่ากว่าต้องเยอะพิะเจ้าจึงบอกว่าผลของคำสอนอื่นลัที่อื่นมันไม่ได้เสี่ยวหนึ่งของ คำสอนของพระศาสดาเลยมันน้อยมากมันไร้สาระมากแล้วเราก็จะเท่ากับ เ, เวียนอยู่ในมิจฉาทิฏฐิคือยังไงก็ตายอยู่แล้วจะตายไปกับมิจฉาทิฏฐิหรือตายอยู่กับสัมมาทิฏฐิมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไระะเราก็วนอยู่กับ มิจฉาทิฏฐิมาสี่สิบห้าสิบหกสิบปีแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นโยนทิ้งทำตัวเหมือนชะดินสามพี่น้องบูชาไฟบูชาอะไรต่ออะไรมาเนแก่จนเจ้าพอฟังธรรมพระสัสดายเลิกหมดเลยเอาบริของบริการตัวเองทิ้งหมด เหมือนถ้าเกิดผู้เจ้าเป็นปรลิษตพายชคอื่นแล้วไปเจอธรรมะแทนเงี่ยเอาบาดจีวรทิ้งหมดเนี่ยเนียแล้วไปนุ่งห่มเนียแบบอื่นหนึ่งเนี้่ลูกศิษย์ก็งงไหมนะเออเกิดถ้าผู้เจ้าเราเป็นอย่างนั้นี่ยปุ๊บลูกศิษย์ก็เอ า, เอ า, เอาแสดงว่าผู้เจ้าถูกแล้วล่ะไปตามพวกชนินก็เหมือนกันต้องเคเป็นลูกศิษย์ชนินมาใช่ไหมลูกศิษย์แต่ละคนห้าร้อยบ้างพันหนึ่งบ้าง พอหุ่ oh, หน้าเอาเอ า, เ, อาเปลี่ยนกันหมดเลย <c oughs> นะวจะดินเขาก็มีความสามารถเขาพอตัวอยู่เหมือนกันขนาดผู้เจ้าไปนี่เขาก็ทำฤทธิ์ใส่ผู้เจ้าได้แต่ผู้เจ้าไม่เป็นอะไรเพราะนั้นลูกศิษย์ของแต่ละอาจารย์เขาก็เชื่อมั่นในอาจารย์เขาพอสมควร เมื่ออาจารย์เขาเปลี่ยนเขาคิดว่ามันดีแล้ ว, ลวเปลี่ยนตามก็นะเหมือนอาจารย์ในกระพนนะเนาะปันเตะกคนท่านเปลี่ยนปุาลูกศิษก็ เ, เปลี่ยนตามเนะอาจารย์่ันเตะกระพรทั้งหมดจะไปไม่มจะพาไปสัมมาทิตฐิเนี่ยจะพาไปในทางที่ถูกต้องลูกศิษย์เอไปไปไปกันก็เลิกเจริญพุทธมนต์ทำน้ำมนต์นะ่นะนะ การปลูกเสกแจกของดีอะไรต่างๆท่านก็เลิกหมดเฮ้ยทำไมท่านทําได้อะยมท่านบวชมายี่สิบกว่าปีท่านก็ทํามายี่สิบกว่าปีนะแต่พอฟังพุทธวจนะพอท่านเข้าใจแลนะ้วท่านโยนทิ้งเลยตัดก็ตัดเลยนะเอออย่างนี้มก็อ ย, อยังไม่ชื่นใจเนอะ <c oughs> ยเออไม่ต้องฟันธงเหมือนกับท่านนั่นนะ ดันั้นลูกศิษย์ที่วัดดอร์ลา่าว น, นารามที่สวีเดนก็ฟันธงอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเปลีป่ย น, น, นเลิกเป็นเลิกนะออแล้วถามเลิกตามข่ายเลิกตามพระพุทธเจ้าไม่ได้มีความเสียหายเลยเลิกตามพระาศาสดาของเราเนี่ยมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตขึ้นมาความที่มิจฉาทิฏฐิหมดไปอาจารย์พันเตกับพล นะซึ่งท่านกา็ได้รับข้อมูลเนี่ยเริ่มจากอวิสุรนลงชัยเนี่ยอวิสุรนลงชัยก็ฟังจากอาตมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนปุ๊บถ่ายทอดให้ท่านท่าน เ, นเปลี่ยนนะก็พาญาติโยมเนี่ยเหมือนที่เนี่ยชาวร้านตลาดเนี่ยมาตั้ง <c oughs> สมาธิลองลองหมุนภาพไปเรื่อยๆนะ ได้เขาเห็นภาพอาที่นี้อาจจะไม่เคยเห็นก็ขึ้นจอลองดูย้อนจอมากินเนี่ยก็ขึ้นจออย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมนี่ที่สวีเดนแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยขึ้นจอลูกศิษย์ท่านก็ดูจอนะพระก็นั่งฟังธรรมสงสัยก็คียคำถามเข้ามามเราก็ตอบให้ มันได้เทคโนโลยีมันช่วยได้มากเลยนะคุยทีไปทั่วโลกกันโยมเนาะอยู่ที่ไหนก็ดูได้แล้วดูวัดตันเนี่ยแต่ละคนมาในฝ่ายหิมะมานั้นเนี่ยหิมะตกข้างนอกเนี่ยวัดท่านค่อนข้างใหญ่มากเห็นว่ามีที่พักเป็นร้อยๆที่น่าจะท่านใหญ่ที่สุด ท่านพระอาจรย์เอกพลไปรวบรวมเงินจากญาติโยมแล้วซื้อโรงเรียนเก่าใช่ไหมคะพระอาร์ใช่เป็นอดีตโรงเรียนเก่าอ่าใช่นี่ฝรั่งก็มาปฏิบัติธรรมกันนะที่วัติัรแล้วในโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะพาพวกนักเรีย น, นยมา มาปฏิบัติเขาจะพาไปทุกศาสนานี่พวกนักเรีย น, นเขาก็พามาศาสนาพุทธบ้างมานั่งสมาธิาฟังธรรมท่านก็ต้องเป็นภาษาสวีดิชอยู่ไปแล้วเป็นเองนะอะนี่ท่านก็บอกเนี่ยท่านเป็นพระธรรมทูต ไปเผยแผ่แล้วเอาของผิดไปเผยแผ่ท่านก็บอกไม่เอาดีกว่าท่านก็เผยแผ่ผิดมันหลายสิบปีนแต่พอฟังพุทธวจนะท่านก็เปลี่ยนเห็นไหมท่านก็จบประเด็นธรรมมาเหมือนกัน <c oughs> นักกําลตีตัวเอกประเด็นหนึ่งสองสามสี่ห้าบออะไรอย่างที่ในประเทศไทยเรียนทําไมท่านเปลี่ยนทําไมพระรูปอื่นไม่เปลี่ยนมันเกิดอะไรอะ่ะใช่ไหม ทำไมพระรูปอื่นรักษาอะไรไว้นมันก็เรียนมาเหมือนกันใช่ไหมอ่าถ้าามพระรูปอื่นเนรักษารักษาข้อวัดใครแต่ไม่ใช่รักษาข้อวัดที่ศาสดาบัญญัติเกรงใจอะไรเกรงใจใครนีอ่าไม่เห็นจะต้องเกรงใจอะไรใช่ไหมพอเราดูตัวอย่างอย่างนีง่ายๆไม่ใช่ท่านไม่ไม่ได้เรียนประเรียนทำอะไรเหมือนอย่างในประเทศไทยก็เรียนมาโรงเรียนเดียวกัน แต่เปลี่ยนลูกอื่นไม่ยอมเปลี่ยนนะลูกอื่นบอกคำสาวกดีท่านบอกไม่ดีเห็นไหมอะไรมันมันมันติดอยู่ในใจนทุกคนต้องกลับไปถามตัวเองพระเนี่ยต้องกลับไปถามตัวเองนั่นถ้าถ้าทุกคนมีความกล้าที่จะเดินตามพระศาสดาตัเอ ง, งโยนโสดาวันเนี่ย กล้าและเชื่อแล้วว่าพูุทธเจ้าเนี่ยบอกถูกนะคําสอนที่ไม่ใช่ของตถาคตมันคือผิดนะผิดถูกแยกแยะได้แล้วแล้วกล้าที่จะเดินตามไอ้ไม่กล้าเนี่ยติดอะไรนะติดอามิ t ติดยศนะอย่างอาจารย์อาุโสนลงชัยเนี่ยท่านก็บอกนะเออญาติโยมเขาบอกเขาจะไม่มาทาบุญแล้ว ท่านก็บอกอมไม่เป็นไรอาตมาอาจจะอดบ้างอิ่มบ้างแต่ศาสนาจะอยู่รอดแต่ถ้าอาตมาทําอย่างเดิมเนี่ยนะอาตมาอยู่ได้อิ่มดีแต่ศาสนาจะไม่รอดนะศา ส, สนาจะเสื่อมและหายไปในที่สุดท่านก็ยอมที่จะไม่กลับไปทําอย่างเก่านะนั้นท่านสองรูปเนี่ยปฏิญญาณเลยว่าไม่เอาแล้วจะให้ผมกลับไปทําอย่างเดิมผมทําไม่ได้ ท่านเขียนมาในเมลประกาศบอกอาตมาเลยนะท่านไม่กลับไปทำอย่างเดิมอล้จะไล่ท่านออกก็ออกบอกผมก็ยินดีออกไปนะแต่ถ้าผมอยู่ที่นี่ผมจะไม่ทำขอการ <laughs> พระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะถ้าถ้าดูในคู่มือโสดาบันก็คือท่านฟันธงแบบนี้ก็คือ<ะ>ท่านยำเกรงในพระ ยาเกรงนถูกไหมเจ้าคะใช่ยาเกรงนะก็คืเจ้าละมิชฌาปฏิปทาที่ผ่านมาก็ก็เหมือนองค์ุริมาคือท่านไม่ทราบก็ไม่เป็นไรใชแต่ว่าท่านมาเริ่มใหม่ก็คือมันก็ง่ายนะฮะเพราะว่าอย่างที่ท่านพูดที่งานที่ที่เบลเทสเนี่ยค่ะว่าว่าอะไรนะท่านท่านปฏิบัติมาแล้วท่านไม่รู้พอเสร็จแล้วท่านมาเปลี่ยนเนี่ย โยมก็ว่าถ้าพระส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่ยึดมั่นในในครูบาอาจารย์แล้วมาดูผู้มือโสดาบันเนี่ยคือท่านดาอยู่แล้วอย่างท่านบอกท่านสวดภาษาบาลีนันธิแต่ท่านก็เคยไม่ไม่เคยรู้ความหมายไม่ได้ไปสนใจนะเจ้าค่ะตรงนี้ค่ะโยมว่ามันเป็นประเด็นเป็นพอยที่อยากจะเผยแผ่ให้พระส่วนใหญ่ที่ได้เห็นก็ก็อาจจะมาพลิกบ้างนะคะอย่างพระที่เรียนมาเยอะๆอย่างนี้ค่ะความรู้ก็เยอะแต่ว่า มันไม่ใช่อะค่ไรกันหน้าตัดคลิปเนี่ยนะไปให้พระทั้งหลายเนี่ยนะได้ฟังใช่มไหมเราตัดคลิปพวกนี้ยที่ท่านเนี่ยประกาศมาพูดลงมาะแล้วก็เอาขึ้นเว็บหรือว่าเอาไปให้เวลาจะมาไปบรรยายใช่ไหมตามหมู่พระเนี้ยอันเนี้ยฟังนะพระที่เขาเรียนมาเหมือนกับพวกท่านนั่นแหละเขาก็เปลี่ยนนะแล้วก็ไม่เห็นจะแกรอะไรเลยใช่ไหมอ <pedestrian S 2> ่า แล้วพวกเราแคร์อะไรติดอะไรอยู่ใช่ไหมซึ่งท่านก็ยอมจะไล่ท่านออกจากวัดก็เอาอดก็เอาไม่เป็นไรนะแต่จะพายโยมไปในสิ่งที่ถูกต้องอไปไหมโยมออกไปไปไปกันก็น่ารักดีอืม แล้สำหรับมิจฉาปฏิปทาเนี่ยฮะสมบุรณ์รูร้แล้วแล้วยังกระทําอยู่อก็ถ้ามีพระสูตรใช่ไหมคะแต่โยมจําไม่ได้คือคือถ้าไปมิจฉาปฏิปทาเนี่ยมีมีผลเสียหายกับมหาชนอะไรเ น, นี่ยจ้าใช่คือการที่ถ่ายทอดบอกสอนมักผิดปฏิปทาผิดพุทธเจ้าบอกจะเกิดผลเสียต่อมาหาชนเป็นจํานวนมากอย่างน้อยก็ในองค์กรของตัวเอง ย่อมดูว่าองค์กรใหญ่ๆองค์กรสมใหญ่ๆซึ่งสอนผิดพาดการเคลื่อนนําพาคนไปสู่ทิฏฐิว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลมีรูปปั้นรูปหล่อบันดาล น, นมีเทพบันดาลมีคนนั้นคนนี้บันดาลมันคือมิจฉาทิฏฐิที่ผู้เจ้าเนี่ยพยายามต่อสู้มาแต่เราเนี่ยวนกลับเข้าไปหา เราไม่เชื่อมั่นศาสดาตัวเองแล้วเราก็วนกลับเข้าไปสู่มิจฉาทิฏฐิแบบนั้นซึ่งถ้าพระศาสดายังอยู่คงเสียใจนะว่าลูกศิษย์ของท่า น, นไม่เดินตามความเห็นของตถาคตใครต้อนะนะงการถามเชิญเลยนะคะเดี๋ยวส่งใหม่ให้คะ่ะ ก่อนนุสการพระอาจารย์ครับอผมได้ไปค้นในคีย์เวิร์ดของทีซีดีนะครับก็ mm hmm. พ่อแม่เป็นพรมของลูก mm hmm. พ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกนะฮะ mm hmm. ก็ mm hmm. ไม่ไม่เจอนะครับไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมีหรือเปล่าครับ mm hmm. ไม่ไม่มีไม่มีนะครับพอผมเห็นเขาสร้างจะดีกันก็เลยง ง, ง, งว่า mm hmm. เขาสร้างจะดีกันไปได้ยังไงนะก็ถ้า ถ้าพ่อแม่เป็นตถาคตาสาวกโกก็สร้างได้ <c oughs> คือเป็นสิทธตถาคตเอ่นเป็นอุบาสกวาสิกาผู้มั่นคงนะในสินห้าในอุโบโสถ8ปดประการนะก็อย่างเพื่อนพ่อของนางมิขสาลานะก็แค่ยินดีในภรรยาของตนมีสินห้าดีก็ไปเกิดเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตอย่างนี้ นั้นตัวศีล น, น่ะนะตถาคตาสาวโกรพระเจ้าก็บอกบุคคลผู้สมควรทำสถตวให้าให้อะลนตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกตถาคตาสาวโกรพระมหาจาักพัทสีบุคคล น, นั้นถ้าเขาเข้าไปสู่สัตว์ของสี่บุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยจิตจกเลื่อมใสจะเกิดปิติ น, นเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์ได้ เขาจะรู้จักคุณงามความดีของบุคคลนี้ว่าทําอะไรมาสอนอะไรอย่างนี้ถ้าคนนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องในคําสอนเขาก็จะหลุดพ้นได้มีประโยชน์การรักสการอกอีกคําถามหนึ่งนะครับอกรณีที่ที่จะได้เอาหันในชาตินี้นะครับจิต ด, ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปช่องว่างระหว่างนั้นเนี่ย <ư> เราใช้ธาตุอะไรรู้ฮะเพราะว่ามันจิตมันมันไม่มีอยู่อีกดวงจะเกิดอีกดวงจะดับก็เพราะเราคิดว่าจิตมันเป็นชีวิตเราจิตมันไม่ใช่ชีวิตไอ้คนรู้จริงๆอะไอ้คือช่องว่างตรงนั้นอะคือคนรู้ทุกเรื่องจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้แต่ไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นธาตุรู้อะแต่มันไม่ใช่ชีวิตเน่เหมือนแสงสว่างมันสว่างว่างเป็นมันคือชีวิตเหรอไม่ใช่ชีวิตมันสว่างเฉยๆแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับ อย่างนี้ธาตุรู้รู้อะไรรู้สี่ธาตุรู้รูปเวทนาสัญญาสังการรู้แล้วก็ดับดับไปใครสั่งดับไม่รู้ดับมันเองเหมือนฟองสบู่แล้วเป่ามาันฟองเกิดแล้วก็ดับถามใครสั่งให้ดับไม่รู้มันดับมันเองหมดเหตุปจัจจัยมันก็ดับธาตุรู้ก็อย่างนั้นเกิดขึ้นมาดับไปเกิดขึ้นมาดับไปพอเราไปสําคัญปั่นหมายว่าชีวิตเนาะแล้วใครรู้ก็ไอธาตุรู้มันก็ไม่รู้เรื่อง ไอคนที่รู้จริงๆคือช่องว่างในที่กั๊บแค่นั่นแหละมันรู้ทุกเรื่อง น, นั่นนะ่ะก็คือกลับเข้าไปสู่สภาวะรู้ของตัวเองอันเดิม น, ะน่ะวิมุติยานทัศนะ์น่ะก็เลยบอกคนรู้จริงๆคือวิมุตินั่นแหลนะนะรู้มันทุกเรื่องอนะ่ะไอที่รู้อยู่เนี่ยของฟอร์มหมดเลย กี่กโอกาสค่ะถ้าอย่างนั้นปฏิปุจ ช, ชาที่น้องตองถามเนี่ยก็คือมันจะมีพระสูตรหนึ่งสั้นๆซึ่งโยมยังไม่ได้ทรงจำมาก็คือว่าที่สาวกทั้งหลายชอบเอาวลีคำพูดว่าจิตเดิมแท้เป็นประพัชสอนมาแล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นเนี่ยมันก็คือว่ามีพระสูตรนีอธิบายโยมจำได้เชิงอัดก็คือว่าโดยอัดก็คือว่า จิตเดิมแท้เป็นประพศนโอเคแต่มันไม่ได้แช่อยู่อย่างนั้นมันมีอวิชาเข้ามามันจึงไม่ได้ว่าไปไปสอนกันว่าจิตเดิมแท้เป็นประสอน mm hmm. ไม่ต้องทําอะไรจิตเดิมแท้เป็นประสอนอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อ, อตัดกิเลสซะเดี๋ยวจิตเดิมก็เป็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็คือมันเหมือนบทพยัญชนะที่นํามาถ่ายทอดบอกสอนเนี้ย mm hmm. ไม่ โดยไ n ยะไม่ถูกต้องถูกไหมคะพระอาจารย์ยกมาแต่บทพยัญชนะที่ถูกแต่ว่าอธิบายไม่ถูกความหมายไม่ถูกถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่คือมันสุญญาตามันสุญญตามันไม่ใช่นิพพานอย่างเดียวมันตั้งแต่ปฐมพระฌานเลยอธิบายไม่หมดอธิบายไม่หมดอะถูกไม่หมด <c oughs> ดังนั้นเอะจิตจิตเดิมประพัดสอนอย่างเนี้ยนะจิตเดิมคืออะไรมันเดิมแค่ไหนอย่างไร ใชอืมจิตนี้เป็นของประพัดสอนอย่างนี้ก็ถ้ามันไม่เข้ามาสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยนแอันนี้ตัวอารมณ์ต่างๆมันก็มีความประพัดสอนของมันทังนั้นน่ะนะมันก็มีความสว่างสไยของมันคนได้ฌานสี่โอ้สุดยอดเลยพอขึ้นไปโอ้นี่สุดยอดกว่าขึ้นไปอาคาสามวิญญาอกิณก็มีสุดยอดสุดยอดสุดยอดขึ้นไปดังนั้น น, ะน่ะนี่ย อริปาชคเราอื่นก็นึกว่าเนี่ยคือสุดยอดแล้ว อ, อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำที่พระเจ้าพูดว่าคำสอนของพระ อ, องค์นี้เป็นชั้นโลกุตตะว่าด้วยเฉพาะเรื่องสุญญาตาอย่างนี้สาวกที่ตลอดมาเนี่ยไปคิดเอาเองว่ายากก็เลยมาอธิบายเองจนทำให้เราซึ่งเป็นคนรุ่นหลังนี้ก็อย่างที่คุณป้าเหลือพูดว่ามันตีกันยุ่งไปหมดคำสอนเพราะว่าไม่ยกบทพยัญชนะและความหมายมาให้ทั้งหมด โดยในยะด้วย จ, จพอยกเองปุ๊บอธิบายเองปุ๊บมันมีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพ้าลเนี่ยพอเราศึกษาไม่ละเอียดเราจะไปคิดว่าคำสาวกมันดีมันถูกวันนั้นก็มาคนใต้สล า, ายอยู่คนบอกแจ๊เอาคำพุชเจ้ามาแล้วเอาคำสอนท่านประยุทธ์มาอธิบายโอ้ไปคนละเรื่องเนยจะเป็นท่านอะไรก็ตามไม่ได้หมดนะ No. No. No. No. มันเพิ่มความมั่นใจให้กับทางสมาคมที่เราสร้างแบรนด์แอมบาสเดอร์พุทธวจนะ uh huh. คะ่ะพระอาจารย์เพราะวสิทิพระสูตรที่พระอาจารย์รวบรวมมาที่กระจัดกระจายอยู่ใน uh huh. พระตรปิฎกส่วนที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างที่ uh huh. ที่เรามานั่งคิดสงสัยว่าคนนี้พูดอะไร โดยเฉพาะพระสูตรที่บอกเรื่องว่าเนี่ยเป็นเป็นเรื่องบทพยัญชนะที่ถูกความหมายถูกด้วยก็เลยเข้าใจเลยว่าต่อไป น, นี้เวลาเราทรงจําคําที่เป็นพระสูตรเนี่ย เ, เราต้องทรงจําทุกคําห้ามมาพูดเองเอหรือคําว่าจะหรือควรหรือเพื่อต้องมีก่อนหลังควรเพื่ อ, อหรือเพื่อควรอะไรเงี้ยมีความหมายหมดเลยอะค่ะรุ่นมีความหมายหมดก็ <c oughs> มีความหวังว่า เยาวชนที่สาธยายพระสูตรเหล่านี้ต่อไปเขาจะเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็ญญแยบคายมากค่ะพระอาจารย์ถ้าเขาใครมาพูดอะไรผิดหูนิดหนึ่งเป็นการก<อ>็ <c oughs> จะมี <c oughs> ความฉลาดในคําพูดเขาจะคมในคําพูดดัง น, นั้นคนจะมาพูดพลิกแพงอะไรจะจะรู้เพราะละเอียดในคําพูดมาตั้งแต่เด็กนะ้อย่างนี้ อ, อั่อนว่าจีสังการเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดเหมือนกันคําพูดอ วันหลังวันหลังหน้านิมนต์รวมท่านทั้งหลายเหล่านี้มาเจอกันเหมือนกันนะเจอกันในค่ำวันเสาร์สักทีขอโอกาสเรื่องขอเปิดใจกับชาวร้านตลาดนะคะจริงๆการเดินทางของพระอาจารย์มาก็ก็คือเหน็ดเหนื่อยแต่พระอาจารย์ก็เมตตาถ้าชาวร้านตลาดผู้เข้มแข็งน้องตองหรืออะไรเงี้ยเราเป็นผู้นําโดยการจัดดูค่ําวันเสาร์ทุกวัน ทุกอาทิตย์ละครั้งอะค่ะเหมือนกับที่ขอขอกาดพันเตขอรูปจากเมืองจันใช่ไมคะจากประเทศต่างๆนะประเทศต่างๆาคือเดี๋ยวนี้เราเรา <c oughs> ใช้วิธีการ เ, <c oughs> เข้าถึงคำพระเจ้าโดยการมีจอโปรเจคเตอร์กับโน้ตบุ๊กอินเทอร์เน็ตแล้วก็นัดกันมาเจอหลัง6โมงประมาณ6โมงเป็นต้นไปค่ะของทุกวันเสาร์อาทิตย์ละวัน <c oughs> ก็จะลดถนอมรักษากำลังพระอาจารย์ได้ด้วยแล้วพวกเราจะมีการฟังอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเนี้ย<อ>ที่ที่จันทบุรีอ่ก็ทิศที่บวชที่เราเนี่ยลาสิกาไปเป็นตำรวจก็ไปจัดสถานที่บ้านของเขาเนี่ยเป็นที่ปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่เนี้ยนะแล้วก็ลองดูภาพอื่นต่อ เขา ม, มีมังจันมีหลายภาพเหมือนกันนะแล้วก็ส่งภาพมานะ ใส่เสื้อคุชชันน่ากันทุกคนเลยนี่จัดเป็นทีมเลยนะเนี่ย อ, อลองไปดูประเทศอื่นบ้างก็ได้อันนี้ข้อมูลยังไม่ครบก็อันนี้ก็ที่สวีเดนนะอันนี้ของบ้านโยมอีกคนนึงของโยมอะไรนะวันวันวิสาบ้านโยมวันวิสาเนี่ยก็แบบ ของยมอันเนี่ยก็จัดเป็นที่ปฏิบัติธรรมีช่วงนี้ก็หิมาตกออของเขาลำบากกว่าเราเยอะนะยมน ะ, อ, ะนอุโสณรงชัยเนี่ยก็ดูข้ามวันสาวขึ้นจอเหมือนกันเห็นไหมลักษณะอย่างเนี้ยยัยมีเครื่องโปรเจคเตอร์อันหนึ่งมีจออันหนึ่งลองถอยกลับไปดูจอเนี่ย มีจออันหนึ่งแล้วก็โยมก็ส่งคำถามก็ามาได้พูดก็เห็นกันตัวโลกลเนี่ยโยมก็นั่งดูกันพระก็ดูกันอย่างนี้เนี่ยรังดูประเทศเมืองอื่ น, นที่ประเทศลาวมีประเทศลาวเนี่ย เราก็จัดที่สาราเลยพร้วพระก็ญ<ม>าติโยมมีหนังสือสิบเล่มนะเราเนี่ยอลาพระก็มาดูกัน ลองดูที่เข้าขึ้นจอแล้วดูนะอ่านี่เห็นไหมเขาก็ขึ้นจอเหมือนกันดูพร้อมกันได้ทั่วโลกทั้งศาลาทั้งพระด้วยคารวะด้วยแล้วประเทศลาวก็กําลังจะเชื่อมข้อมูลจากสาสามเล่มของเราเนี่ยไปสู่พระไตรปิฎกของเราดึงพระไตรปิฎกลาวออกมาเฉพาะพุทธวจนธรรมยมดูสิความตั้งใจในการรักษาคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยน ก็เริ่มเปลี่ยนในวัดของเา้านะกลุ่มพระที่มาเนี่ยนะลองไปดูกลุ่มพระที่มาจากลาวนี่เขาก็นิมนต์พระจากลาวมามาพบอาตมาที่วัดนาป่าพงเห็นไหมญาติโ ย, ยมก็เข้มแข็งนะข้าบดีเขาเนี่ยเขาพามาเลยพาบินมา ก, กี่รูปกี่รูป แล้วก็นีอมีพระจากลาวที่อื่นมาด้วยนะมาจากสองที่หลวงพ่อวางกับเวียงจันนะไม่ได้นัดกันม า, มาเจอกันพอดนะนะนะีแล้วก็กลับไปที่วัดของเขาก็เนี่ยพาพระพาพ ร, พรวาวน์มาฟังนะส่งคำถามเข้ามาส่งมาเป็นภาษาลาวด้วยทีมของเรารู้ภาษาลาวก็แปลเป็นภาษาไทยได้อย่านะ้นะนะ ลองดูประเทศอื่นมีมมีที่เยอรมันลองดูเยอรมันนี่เยอรมันก็ <c oughs> ก็จะจัดทุกช่วงเาสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยนะวันเสาร์ข้าม ก, ก็ทำอยู่แล้วแล้วก็ขอเพิ่มเย็นวันอาทิตยนะ์เพื่อสนทนา กับกลุ่มของคนที่อยู่เยอรมันนะลองดูมีประเทศอื่นไหมนี่ที่เมืองไทยก็จะมีแต่ละที่อย่างเช่นอ่าวัดปกฐฐักคาดนี่วัดป่าบ้านทันลำจารสมบัติ ทันเตสมบัติท่านก็จัดสอนเหมือนกันนะขึ้นจอขึ้นอะไรแล้วก็พาพระนอกจากพาพระปฏิบัติแล้วเนี่ยยังพาพระมาฝึกที่วัดด้วยตอนนี้พระที่วัดป่าบ้านพันลำก็ยังอยู่ที่วัดของนาปราพงอยูนะ่ส่วนหนึ่งแล้วก็ฝึกปฏิบัติเสร็จก็จะกลับไปเป็นกำลังในวัดของท่านอีกนะ ทำไมเจ้าวาดพวกนี้เปลี่ยนแปลงได้เราลองดูนะอันนี้ก็ที่วัดปักคาดนี่ก็บวชมาสามสิบกว่าปีนะเป็นรองเจ้าน้าเพอนะก็เปลี่ยนเหมือนกันนะท่านก็ขึ้นจอเหมือนกันตอนนี้มันเชื่อมกันได้พร้อมกันได้ทั่วโลกนะสงสัยอะไรก็ถามมาส่งคาถามมาตาง อินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ก็กดๆนะดูนี่หนังสือสวดมนต์เห็นไหมเราใช้หนังสือสวดมนต์่ากของทางวัดเราทั้งหมดเลยเป็นพุทธวจนะทั้งหมดก็แบบพันเตะกรพลนะ่ะท่านบอกท่านจะลบหนังสือสวดมนต์เก่าหมดเลยทิ้งหมดเลยนะแล้วก็เริ่มใหม่นะ <c oughs> ที่ไหนอีกที่ นี่ที่เปาลนาแกลเลอรี่นะก็จะดูสายทอดในข้ามวันเสารแล้วก็มีที่บ้านพุทธวัจนสีวลีบ้านพุทธวัจนสีวรีเสร็จแล้วก็มีที่ในวีเดนที่อื่นมีไหม อีกเมืองหนึ่งใช่ไหมนี่ก็อีกเมืองหนึ่งในสวีเดนเหมือนกันนี่ก็หิมะยังตกอยู่ก็ฝ่าหิมะกันมาเหมือนกันจะมานั่งสมาธิกันเนียวสวนลงชัยก็นำแล้วก็ดูถ่ายทอดสดตรงนี้ตรงนี้เป็นช่วงนั่งสมาธิก็่านั่งกัน เป็นตัวอย่างและกำลังจะมีอีกหลายที่ที่ติดต่อมาก็มีที่เนเธอร์แลนด์ที่ฝรั่งเศสนะก็คยค่อยๆทำไปเรื่อยๆเขาการทัาใ์ ก็ขอฝากชาววิเศษคนรุ see, ่นใหม่อย่างเจเน r เรชันเป็นผู้นำเพราะว่ามันเป็นการใช้เทคโนโลยีแล้วได้เกิดประโยชน์มหาศาลเพราะว่าถ้าเราเจอกันทุกวันเสาร์แล้วก็ฟังนึงเืองเนี่ยมีประโยชน์มากเลยและเหมาะกับวิถีชีวิตของชาวร้านตลาดค่ะพัจจา์เพราะว่าพอ6โมงเย็นก็หมดการจัดกิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็นเรียบร้อย แล้วก็ได้มานั่งสมาธิกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเย็นแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็กลับไปนอนรุ่งที่เช้าก็ค่อยไปจัดทากิจการงานใหม่ในตอนเช้าคือยมกำลังฝากความคิดเห็นของตัวเองเสนอให้ชาวร้านตลาดพิจารณาว่าการที่พระอาจารย์สร้างเรื่องประเด็นข้ามวันเสาขึ้นมาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยค่ะ เราต้องจับฉวยเรื่องแบบนี้แล้วก็ใช้พลังงานน้อยมากเพราะว่ามันเหมือนคารพูล่ะรถคันเดียวนั่งไปไได้วยกันหลายๆคนไปนิพพานก็คิดว่าเราต่อไปจะเป็นองค์กรที่ใหญ่มาก อ, ะอ่ะอมันต้องใช้เทคโนโลยีอย่างเนี้ยคือทําพร้อมๆกันทั่วโลกพรุ่งทีเดียวเี่ยปฏิบัติทำทีทั่วโลกพอต่อไปเนี่ยที่อเมริกาซึ่งกําลังจะเริ่มทํามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เ, เนี่ย เด็กก็จะเชื่อมต่อกันก็อเมริกาก็จัดว่าเป็นประเทศที่ถ้าดูสถิติในเว็บก็คนที่ชมเนี่ยรองจากประเทศไตยลงไปคนชมเยอะมากนะก็ <c oughs> มันก็ต้องอย่างเนี้ยใช้ลักษณะอย่างนี้ถึงจะเกิดความสะดวกนะแล้วก็ได้กระตุ้น เตือนใจกันสัปดาห์หละครั้งครั้งละสักสองสามชั่วโมงพอนะ ข, ข่าวนวสการอาจารย์อีกครั้งครับครับผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าพวกเราเนี่ยก็เวียนไหยกันมานานแล้วแล้วก็เล่นเกมนิทลรยตายทุกทีสู้วัตถสงสายไม่ได้ทุกทีนะ ก็ควรจะต้องออกจากเกเ่นี้กันทันทีนะะรับครับใช่ครนี้เอบางทีเนี่ยมีพวกเพื่อนๆในที่ทำงานนะครับก็จัดอบรมพุทธทวชนาะครับอเขาก็บรรยายได้ดีแล้วก็แต่ว่าผมเห็นว่าบางครั้งเนี่ยหลักสูตรก็ไม่น่าจะใช่ทักเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะฮะบางทีครับใช่ครับเขาเขาเขียนหน้าคมพุทธทวชนะเลยนะครับ แต่ว่าหลักสูตรเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ใช่นะฮ ะ, ะมันมีการเดินช้าๆกินช้าๆหรือว่าไม่ไดไม่ต้องผสสูตรไม่สาธยายทมแล้วก็ไม่ไม่ให้ความสําสคัญกับสุตตะนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าอยจะให้ทางวัดเนี่ยอาจจะจัดเป็นหลักสูตรแพ็กเกจเลยว่าถ้าใครจะเอาพุทธศานานะ ต้องทําแบบนี้วันแรกหนึ่งวันที่สองวันที่สามอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขาทํากันบางทีคนไปอบรมก็เข้าใจผิดว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เหรอให้กินช้าๆอะไรจะมีสติเหรออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ที่เห็นก็เป็นอย่างเงี้ยก็เลยอวุศณรงชัยบอกกลัวแล้วเกินพวกกลายพันธ์นะแต่มันก็จะมีแบบนี้อีกพวกที่กําลังเปลี่ยนแต่แบบไม่กล้าเปลี่ยน คือกักไม่กล้าเปลี่ยนหมดก็เลยเป็นแบบกั้มกึ่งเลยเหมือนกลายพันธุ์นะใช่ไหมแล้วถ้าเขาไม่ยอไม่ยอมเปลี่ยนหมดปุ๊บมันจะเป็นอีกพันหนึ่งไปนะอ่าเป็นพุทธวัจนะลูกผสมไปอย่างนี้นะอ่าะฉะนั้นมันก็มันก็คือความเสื่อมของศาสนานั่นแหละนะแทนที่จะเอาแท้ๆไม่เล็งใจอะไรกลัวอะไรกันอย่างนี้ก็ยังงงกันอยู่นะอืม ไม่แน่นคิดว่าคนจัดยังไม่รู้สิบพระสูตรที่พระาจารรวบรวมมาว่าพระสูตรที่หนึ่งถึงสิบเนี่ยมันครอบคลุมการที่เราจะรู้ว่าพุทธวจะนะเป็นอย่างไร <c oughs> <c oughs> อาจจะเอาแผ่นพับไปให้ศึกษาก่อนก็ไ <c oughs> ผมไม่ชัดเจนบางทีก็คิดว่าเออมีของเก่าที่ยังดีอยู่อะไรอย่างเนี้ย วางไม่หมด น, น, นี่คนรุ่นหลังก็เลยเอาเลยนึกว่าอันเนี้ยใช่ร้อยเปอเซ็นต์เนี่ยงงอีกนเหมือนบางที่ก็อสอนพุทธวัฒนะไปทำน้ำมนต์กันไปปลูกเสกกันไปมันปาปพนค้าเข้ากันกับมั่วกันอีกเนาะอืมสลัดคืนไม่หมดอก็ต้องสังเกตกันเองนั่ น, นี่ยนะ นั้นถ้าสังเกตกันไม่ดีก็อันนีญญ้ช่วยไม่ได้แล้วนะไม่รู้จะไปตามกัน <ขอ S 1> ยังไงก็ยังน่าดีใจที่น้องต๋องมาฟังปีเดียวไม่ถึงปีก็สามารถรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่พุทธวจนะก็คือถ้าเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมคำพุทธเจ้าก็จะแยกออกนะเจ้าคะพระอาจารย์ถ้าไม่ไม่ไม่มัวแต่กังวลลังเลใช่ ไม่ทราบมีใครมีคำถามอีกไหมคะมีใครอยากสาธยายพระสูตรไหมคะอาจารย์ต๋ย <laughs> าา ย, ยังหนูมีอะไรเพิ่มเติมบ้ <laughs> ขอการพระอาจารย์ถ้าย่อสวดมาเฉพาะในครอบครัวสมมุติว่าข้างนอกนะเราอาจจะจากประสบการเนี่ยมันยากนะพยายามมาตลอดก็นะก็ไม่ทราบวาสร้างแต่เหตุอย่างเดียวผลก็แล้วแต่อินทรีย์ของเขานี่ถ้ายอ่อสวดมาภายในบ้านสมมุติเรารู้แล้วครอบครัวเรามีสักท่านหนึ่งรู้แล้วอย่างเนี้ยสิ่งที่ทำได้ง่ายๆก็คือเราไม่ส่งเสริมเลยค่ะว่าเลี้ยงเพนพระ หรือว่านิมนต์พระมาก็ขอไม่รับน้ำมนต์ถ้าเริ่มง่ายๆอย่างนี้ก่อนยมว่าแต่บางทีก็ยางนะฮะในครอบครัวบางีก็ยังทําไม่ได้แต่เราก็จะไม่ส่งเสริมอะไรที่ผิดหรือถ้าจําเป็นจริงๆเราก็อาจจะไปร่วมแต่ก็ไม่ใช่ภาระของเราเป็นผู้จัดนั่นง่ายๆก็คือเราจะเลี้ยงเพลิพระแล้วเพราะว่าเท่ากับไปส่งเสริมให้ท่านผิด ผิดธรรมผิดวินัยแล้วก็ลิ้มเช้าไปเจ้าค่ะสิ่งนี้แล้วก็นมนตก็ไม่เอาขอท่านว่าไม่ต้องไม่ลําบากด้วยท่านไม่ต้องมาเดินลําบากเดินขึ้นสองชั้นสามชั้นนะเจ้าค่ะอสิ่งที่ง่ายๆ่ยมคิดว่าก็น่าจะทําลักษณะนี้ไปก่อนเจ้าค่ะคือรักษาคําสอนตากตที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะไม่เสียใจอืม เรอตัวเองอะเนาะเื่องจากตัวเอ ง, เอเเองบ้านครอบครัวของเราเองจะอ่านเทศการอีกครั้งครับช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรครับถึงที่จะสมกับ ช่วงนี้ ค, ครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปสวดมนต์ข้ามคืนหรือว่าตักบาทเนี่ยจะจะให้ทางป้าจา์ช่วยแนะนำาฮะ mm hmm. ว่าควรจะต้องทำอย่างไรเน่ปีใหม่การเป็นผู้เคารพนับถือถบูชาตถาภตด้วยการบูชาสูงสุดก็คือประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแกร่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ ใ น, นช่วงที่เรามีนักกระตือเลิกวันหยุดวันอะไรมีเวลาเราก็ประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิรักษาธิินตอนนานนี่ก็ชื่อว่าได้บูชาตถาคตและวก็อย่างพระสุธรรมชาติาาที่อ่านที่วัดก็ื่อว่าตถาคตเป็นผู้ได้รับการดำเรออย่างดีที่สุดแล้วก็คือการที่เราตั้งจิตนอยู่ใน เห็นความเป็นทุกข์อยู่เรื่อยๆเห็นความไม่เกลี้ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตต า, า, นนตตาก็ถือว่าสาวกเนี่ยได้บำเพ็ญกัณศา ส, สดาแล้วอบำเพยโดยทำและประพฤติธรรมนั่นเองใส่สาบาดก็ได้ยองการก็เป็นการรักษาข้อวัดะที่พระศา ส, สดาได้บัญญัติ อืใส่ผ่านรักษาศีล น, นั่งสมาธิอไม่คือไม่ไปทำในสิ่งที่พูะเจ้าไม่ได้บัญญัติยิ่งเป็นปีที่ครบสองพันหกร้อยของการตัดสรูปพูะเจ้าเราน่าจะทำในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยสอนไว้แท้ๆทำในของแท้ อย่างก็ดูเนี่ยเรื่องฉันเป็เนี่ยมันไม่เคยมีในบรรดาสมันไม่มีแน่นอนอือ ม, มันก็ยังแปลกแหละคนก็ยังทำกันอยู่แค่เราทำแค่ในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ทำแต่ตอนอาหารเช้าซามันก็จบละแต่ไม่มีคนไปทำเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวเองอยู่แล้วนะ นันก็จะมาเน้นอาหารหนักตอนเช้าวนเดียวจบไปพระ อ, อาจารย์คะแล้ววันหนึ่งนี่พวกที่เจ้าตัดใ ห, ให้ให้ฉันขี่มือคะ่ะมื้อเดียวเมื้อเดียวมีเป็นสินด้วยพระเจ้าบอกภิกษุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งผลแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่ง จัดไว้ในเรื่องของสัมบนันธศีลาภิกษุมีศีลสมบูรณ์เป็นอย่างไรเล่านั้นเนี่ยข้อมูล 2,600 กว่าปี500กว่าปีเนี่ยก็เขียนวันภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในลาตรีและวิการหนเดียวเท่านั้นขนาด <c oughs> อุโบโสถ8ประการเนี่ยของคารวะยังหนเดียวเลยยูเราพระเป็นนักบว เรื่งว่าลายหนมากกว่าคาวาสที่เคร่งขึ้นมากว่าสินห้าได้ยังไงพระโยมจะรักษาประเพณีเก่าๆก็คือรักษาให้เก่าอย่างยุคลอหนึ่งอหนึ่งถวายอาหารล้านสองร้อยกว่ารูปไม่มีเพนเลย ท่านตวายอาหารเช้ากับ น, น้ำปานาตอนเย็นจบแล้วนะอย่างนี้นะนีะนไ่ไอ้เรื่องผิดมันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หนึ่งแตนะ่วันนี้มันมีแล้วนะแต่เราก็ไปดูหลักฐานแล้วมันไม่มีแล้วทำไมพระกลุ่มหนึ่งก็ทานมื้อเดียวก็อยู่ได้ก็ไม่มีอะไรนันก็มันก็ต้องดูติความแตกต่างมันเกิดจากอะไร และอะไรถูกอะไรไม่ถูกเจอมั้ยหนึ่งง่ายๆขอาการพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะตรงนี้ถ้าว่าญาติโยมหรือชาวร้านตลาดเนี่ยเออไปโต้แย้งกับคนในครอบครัวก็เอาปฐมธรรมนะอยู่ตรงด้านหลังๆนะคะจำเลขหน้าไม่ได้ก็มีพระสูตรตรงนี้คะ่ะว่าฉันอาหารเพียงหนเดียวเนี่ยคะ่ะ ก, ก็จะได้ไปคุยได้เพราะปฐมธรรมพระอาจารย์เอามาแจกแล้วนะเจ้าค่ะ มือเดียวจริงๆเราไม่ไม่ถามที่ไหนหรอกเราถามธรรมวินยัยศาสดาอืมเยอะแยะพระปฏิบัติต้องเยอะแยะหลายที่เขาก็ฉันมือเดียวทั้งนั้นแต่บางทีเขาฉันมือเดียวเขาเขา้เขาใจผิดนะเขาคิดว่าเป็นธุดงควัตแต่จริงๆเป็นโดยศีลพระที่ฉันมือเดียวนะ่ะยังคิดว่าฉันสองมือถูกนะอ่าคิดว่าฉันสองมือคือถูกต้อง ไม่ผิดแต่จริงๆฉันสองมื้อนะ่ะคือไม่ถูกตามพุทธบัญญัติฉันมื้อเดียวเป็นโดยศีลด้วยแต่โดยทุตดวงวัดคือฉันอาหารเป็นเดนไม่ได้แต่โดยศี น, นี่ยยังฉันอาหารเป็นเดนได้แต่มื้อสองของพระทุกวันนี้อาหารเดนหรือเปล่าไม่ใช่อาหารเดนนเป็นอาหารประเก็นใหม่ทั้งนั้นนะ่ะเห็นไหนี่คือมี ค, อความแตกต่างนะ ถ้าเป็นอาหารเดนฉันได้ไหมคะฉันได้ผูเจ้าอนุญาตอาหารเดนไง<อ>เดนที่เหลือจากภิกษุตอนเช้ารูปอื่นะ<อ>ไม่ใช่เดนตัวเองนะไม่ใช่เดนจากมือซ้ายมามือขวาเอา่ว่าที่เก็บไว้จากเช้าแล้วก็มาเป็นเก็บไว้ได้ถ้าโยมไม่ลุกจากที่นั่งถ้าพระรูปนั้นเนี่ยไม่ลุกจากที่นั่งก็ยังฉันต่อได้อคแต่มีไหมที่พระรูปไหนฉันเช้าแล้วไม่ลุกจากที่นั่งไปยันเป็นไ ม, ไม่มี เห็นล e ุกทั AM, eh. ้งน right. <be> ั so like ้นน่ะใช่ไหมมีใครจะนั่งแช่ยันรอบสองอีกรอบนะแสดงว่าโอ้โหปักหลักฉันให้ได้เลยเอาเรื่องฉันเป็นหลักแล้วเนี่ยนะถ้ามือเดียวนี้เราคงไม่ไม่พบพระที่ร่างร่างใหญ่ดำยำอ้วนพุงโตพุงโตมันก็ไม่แน่หรอกเยิมเพราะว่าอย่างร้านรุ่นเก่าๆที่ พระปฏิบัติการมื้อเดียวว้นท้วนก็มีมันอยู่ที่ร่างกายแต่ละคนน ะ, นะ หลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็วันนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงเร็วค่ะ<ช>แล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เดี๋ยวจะประมาณอีกให้พระอาจารย์พิจารณาแล้วกันครับเพราะว่าพรุ่งนี้พระอาจารย์มีกิจนิมนต์แต่เช้าชถ้าใครไม่จับฉวยโอกาสถามก็ช่วยไม่ได้นะคะ <laughs> มีอะไรอีกไหมคะน้องตองถามให้หมด <laughs> เป็นได้ปัญญาอันใหญ่ค่ะมีพระสูตรบอกค่ะ <c oughs> การซักถามธรรมะจะได้ปัญญาอันใหญ่ เรื่องของของวิชาชีวะในปฐมธรรมก็มี น, นหน้า324้ยิจวิชาชีวะแบบต่างๆ พระอาจารย์แล้วก็ชาวร้านตลาดถ้าจะถวายสังฆทานตอนนี้ก็ถวายพุทธวจนะนะคะเพราะคิดว่าส่วนลึกจริงๆเนี่ยพระสงฆ์ต้องการแต่ท่านยังไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่ทราบพออะไรเนีใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันชัดเจนคารวะอ่านแล้วก็อย่างปุตตานเนี่ยฟังฟังแค่ในรถชั่วโมงเดียวก็บอกโอ้ใช่เลยอย่างนี้เจ้าค <ừ> ่ะโยมก็เลยเชื่อเรื่องความแก่รอบของอินทรีย์ของแต่ละท่านใช่ไม่เท่ากันจริงๆ นะอาอยู่ที่บ้านอยู่คนเดียวะอะเอะไรว่าแก็ฟางนาไปไกลกรองไปมันยังไงก็รู้หมดอ่ะ mm hmm. พอขึ้นหัวข้อแล้วก็รู้หมดทุกวันที่ฟางฟางเนี่ยอยากจะฆ่า ก, กินเลนถ้ามันหายกินเลนฆ่ายากฆ่ายาก ไม่มาข้างเราตะแบงทอบ้อเบาไม่มาไม่เป็นไรรู้ลมหายใจเข้าไ้เดี๋ยวหมดไปเองแหละ<ช>นะนอันนันภาณสติดับอากุศลได้ทุกเรื่องอ <c oughs> <c oughs> ถ้าหมดคำถามก็ยุมขอขอป้าอาจารย์พิจารณาจบจะได้ไม่ดึกเกินจนเกินไปค่ะคุณป้าก็ต้องกลับป่าโมกใช่ไหมคะป่าโมกก็ไกลพอสมควรโอ้ค่ะจ้่ะจะต้องออกไปจากตลาดอีกหนึ่งเนาะงั้นก็คงจะได้เวลาสมควร ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนให้มีความเจริญในธรรมะของตถาคตให้ได้ดวงตาเห็นตามสำเร็จมรรคผลนิพพ า, านในนายพุทธการนั้นใกล้โดยทั่วการทุก ท, ทุกคน